มีใัยจะต้องทำให้ผู้ป่วยทุกคนต้องเป็นอลัลไซเมอร์เสมอไปทางแพทย์จำเป็นต้องขยบเข้าใกล้เรื่องของใจกันมากขึ้นอย่างเช่นมีหลักฐานเป็นวิทยาศาสตร์ว่าคนที่เครียดมากๆมีสิทธิ์เป็นอลัลไซเมอร์ได้เพราะคนเราถ้าเครียดถึงขีดหนึ่งก็อาจเปลีป่ยนแปลงการทำงานของสมองทำให้สมองเสื่อมลงและมีผลให้ความจาแย่ลงไปด้วยเมื่อแม่ไปเพ่งโทษกรรมพันธุ์